เรื่องคนยืมบาทและจีวรสมัยนั้นพวกภิกษุให้กุลบุตรผู้ยืมบาทและจีวรเขามาอุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วเจ้าของก็ขอเอาบาทและจีวรคืนพวกเธอเปลือยกายเที่ยวบินตาบาทด้วยมือมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพลนนาว่าเที่ยวบินตาบาทเหมือนพวกเดียรถีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ยืมบาทและจีวรเขามาไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอบัตทุกกฎวงเล็บยี่อณอุปสัมปรทยัยตับพะกะวีสตรีวานจบ